สัมมาทิฏฐิประเภทที่สองโลกุตระสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบระดับโลกุตระคือเหนือโลกไม่ขึ้นต่อโลกได้แก่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงหรือรู้เข้าใจตามสภาวะของธรรมชาติพูดง่ายๆว่ารู้เข้าใจธรรมชาตินั่นเองสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจากโยนิสโสมานสิการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคลปรโตโคลสะ ท, ที่ดีหรือกัลยาณมิตรอาจช่วยได้เพียงด้วยการกระตุ้นให้บุคคลนั้นใช้โยนิสโสมนัสิการแล้วรู้เห็นเข้าใจเองหมายความว่าสัมมาทิฏฐิประเภทนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงด้วยการรับฟังและเชื่อตามคนอื่นด้วยศรัทธาเพราะต้องเป็นการรู้จักที่ตัวสภาวะเอง ต้องเอาธรรมชาตินั่นเองเป็นข้อพิจารณาโดยตรงด้วยเหตุนี้โลกุตระสัมมาทิฐิจึงไม่เกี่ยวข้องกับหลักการกฎเกณฑ์ข้อยึดถือที่ปรุงแต่งหรือบัญญัติวางซ้อนเพิ่มขึ้นมาต่างหากจากธรรมดาของธรรมชาติและจึงเป็นอิสระจากการหล่อล้อมของสังคมไม่ขึ้นต่ออิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเองแท้แ ซึ่งมีสภาวะและธรรมดาเสมอเหมือนกันทุกถิ่นฐานทุกกาลและสมัยโด ย, น, ยนัยนี้สัมมาทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นโล ก, กุตระคือไม่ขึ้นต่อการไม่จำกัดสมัยเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวกันจำเป็นสำหรับปรีชาญาณและความหลุดพ้นในทุกถิ่นทุกกาลเสมอเหมือนกันสัมมาทิฐิตามความหมายอย่างที่สองนี้ ที่ท่านจัดเป็นโลกุตระนั้นหมายเอาเฉพาะที่เป็นความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งถึงขั้นเป็นมรรคเป็นผลทำให้เป็นอรยิยะบุคคลเท่านั้นแต่กระนั้นก็ตามสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคเป็นผลนั้นก็สืบเนื่องไปจากสัมมาทิฏฐิแบบเดียวกันที่เป็นของปุตุชนนั่นเองดังนั้นจึงขอเรียกสัมมาทิฏฐิตามความหมายอย่างที่สองนี้ในขั้นที่เป็นของปุตุชนว่า สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระหรือเรียกตามอัตถกถาว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเรียกตามบาลีเดิมว่าสัจจานุโลมิการนในชั้นอัตถกถาท่านใช้สัจจานุโลมิการนหมายถึงขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณเก้าโดยเฉพาะพึ่งเห็นความสําคัญของสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระหรือแนวโลกุตระนี่ว่า เป็นธรรมที่มีผลลึกซึ้งกว่าโลกียะสัมมาทิฏฐิมากสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพอย่างที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนสัมมาทิฏฐิระดับนี้เท่านั้นจึงกําจัดกิเลสได้ไม่ใช่เพียงกดข่มหรือทับไว้และทำให้เกิดความมั่นคงในคุณธรรมอย่างแท้จริงไม่แกว่งไว้ไหวโอนไปตามค่านิยมที่สังคมหล่อหลอมเพราะมองความจริง ผ่านทะลุเลยระดับสังคมไปถึงสภาวะธรรมที่อยู่เบื้องหลังแล้วจึงไม่เต้นสายไปกับภาพพรงแต่งในระดับสังคมความที่ว่าในตอนนี้มีความหมายสำคัญในแง่ของการศึกษาด้วยเพราะจะเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับพัฒนาการของบุคคลว่าควรจะสัมพันธ์กับสังคมและธรรมชาติอย่างไรควรได้รับอิทธิพลหรือได้รับประโยชน์จากสังคมและธรรมชาตินั้นแค่ไหนเพียงไร นนดังที่ทราบอยู่แล้วว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระเกิดจากโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการจึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งควรย้ไว่อีกครั้งหนึ่งว่าตามปกติพฤติกรรมของมนุษย์ปุถุชนจะเป็นไปตามอำนาจของข้านิยมที่เกิดจากการหลอ่อหลอมทางสังคมเช่นละเว้นการกระทาไม่ดีอย่างนั้น และการกระทำที่ดีอย่างนี้ตามคำอบรมสั่งสอนบอกเล่าถ่ายทอดเล่าเรียนหรือจดจำแบบอย่างมาถ้าเมื่อใดปุถุชนไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของค่านิยมเช่นนั้นเขาก็จะตกเป็นทาตของตันหาที่เรียกกันในสมัยใหม่ว่าอารมณ์ของตนเองแต่โยนิโสมนาสิการช่วยให้หลุดพ้นได้ทั้งจากอิทธิพลของค่านิยมทางสังคม และจากความเป็นาธาตุแห่งตัณหาหรืออารมณ์กิเลส ข, ของตนเองทำให้มีพฤติกรรมอิสระที่เป็นไปด้วยปัญญาความจริงทั้งค่านิยมที่ผิดและอารมณ์แบบอีโมชั่นล้วนเนื่องด้วยตัณหาทั้งสองอย่างแต่ต่างกันที่ว่าอย่างแรกเป็นตัณหาซึ่งปรุงแปลงหรือแต่งตัวแล้วอย่างหลังเป็นตัณหาสดจึงอาจพูดสรุปได้ว่า ปุถุชนจะคิดจะทำการใดๆก็ตามหากขาดโยนิโสมนัสิกาเสียแล้วถ้าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของข้านิยมจากภายนอกก็ย่อมตกเป็นทาตแห่งตันหาของตนเองเมื่อใดมีโลกุตระสัมมาทิฐิเมื่อนั้นเขาก็จะหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้อย่างแท้จริงเมื่อใดทิฐิกลายเป็นสัมมาทิฐิเมื่อนั้นก็จัดเป็นปัญญา หรือไวยพ์คำหนึ่งของปัญญาแม้ว่าในขั้นแรกเริ่มสัมมาทิฏฐินั้นจะยังเป็นเพียงความเห็นหรือความเชื่ออยู่ทั้งนี้เพราะความเห็นหรือความเชื่อนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงมีความเข้าใจตามสภาวะหรือตามเหตุปัจจัยเป็นที่อ้างอิงเริ่มเดินหน้าออกจากอำนาจครอบงำของอาวิชชาและตัณหาต่อจากนั้นไปแม้ว่าความเห็นหรือความเชื่อนั้น จะกลายเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแจม่มแจ้งที่เรียกว่ายานแล้วก็ยังคงเรียกด้วยชื่อเดิมว่าสัมมาทิฏฐิได้เรื่อยไปเพื่อสะดวกในการมองเห็นความเจริญเติบโตหรืองอกงามที่ต่อเนื่องกันโดยในยนตนี้สัมมาทิฐิจึงมีความหมายกว้างขวางคลุมตั้งแต่ความเห็นและความเชื่อถือที่ถูกต้องไปจนถึงความรู้ความเข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริง